บทที่34คืนหวานว่าผิดหวังอ่ะจองเริกทำหน้าเยเกหลังจากหยิบขนมกระเช้าสีดาฝีมือของแฟนสาวเข้าปากเคี้ยวหยับหยับแต่ครู่ต่อมาก็ค่อยๆครี่ยิ้มหวานทั้งขนมคาปากนึกว่าจะไม่อร่อยนัชเลทำหน้าเฉยเพราะเดาวมุกหักมุมตื้นๆของแฟนหนุ่มได้อยู่แล้วเด็กสาวเงยหน้ามองกลุ่มดาวบนฟ้ามืดด้วยในตาทอดนิ่ง สูดลมหายใจยาวรับอากาศสดชื่นและลมรำเพยสบายผิวระเบียงหน้าบ้านกลายเป็นอาณาเขตส่วนตัวหลังเลิกเรียนพิเศษในค่ำคืนนี้ไม่มีใครอื่นนอกจากหล่อนกับเขาเป็นสุขกับบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกแสนดีข้างกายมีแฟนหนุ่มนั่งชิมผลงานชิ้นแรกซึ่งหล่อนทำเองกับมือทุกขั้นตอนต้องลองผิดลองถูกผสมแป้กับเครื่องประกอบอื่นๆใส่พิมพเอาเข้าเตาอบ แล้วนํามาจับหูกระเช้าหลายรอบกว่าจะได้รถที่รู้สึกว่าใช่ไหนจะต้องทํามะพร้าวแก้วมาใส่กระเช้าอีกแม้ไม่ถึงกับเหน็ดเหนื่อยมากแต่ความที่เป็นมือใหม่ก็นานเอาเรื่องและความคุ้มเวลาที่เสียไปก็คือท่าทีของเขาในบัดนี้นั่นเองคขลิมรสขนมส่วนหล่อนลิมรสความภูมิใจที่ได้เข้าครัวทําของหวานให้คนรักความรู้สึกเป็นเจ้าของความอร่อยคืออย่างนี้เอง ก็ไม่เร็วนักหรอกแตกต่างจากความรู้สึกเป็นเจ้าของเงินซื้อขนม ล, ลิบลับท่าหยิบของเข้าปากจุกจับจุกจับด้วยความติดใจรดอันโอชะได้กลายเป็นประกาศ น, นัยบัตรรับรองเสนอีกแบบของหล่อนด้วยเอาอีกเด็กหนุ่มยื่นจานเปล่าขอเด็กสาวไม่แลมาเพียงพึมพำตอบว่าหมดแล้วฮะเจ้าจเลิก อ, อุทานเสียงสูงแค่สิบชิ้นเนี่ยนะก็แบ่งให้พ่อแม่กับฝนกินไง แล้วนี่ตั้ง1ิบชิ้นไม่ใช่แค่10บชิ้นใครเขากินกันมากมายจองเลิกยกมือเกาหัวที่หลังถ้าจะทำอร่อยขนาดนี้ก็หัดเผื่อไว้สักร้อยชิ้นสิ10บชิ้นนะ่ะแค่ตัวอย่างย่วน้ำลายอะไรกันอารมค้างหมดเลยเนี่ยของหมดซะแล้วนฉเลช้อนตามองฟ้าเฉยอยากรู้ว่าที่แท้การโวยวายของจองเลิกเป็นเพียงลีลาเอาใจหล่อนเท่านั้นขณะแห่งการมองไปที่เบื้องบนนั่นเอง ก็มีเครื่องบินลำหนึ่งลอยเอือยตัดตรงผ่านน้านฟ้าฝั่งซ้ายไปสู่ฝั่งขวาเข้าคันลองตาหลอนพอดีการเดินทางของนกเหล็กติดไฟกระพริบท่ามกลางความมืดสนิทเวงวางนั้นจุดอารมณ์ฝันและความทรงจำอ่อนละมุนแก่นทะเลพอจะรำพึงแผ่วให้แฟนฟังตอนเด็กๆซายจะชอบมองตามไฟกระพริบของเครื่องบินรู้สึกเหมือนร่วมบินไปในฝัน มีความสุขกับการส่งใจตามแสงเล็กๆไปจนสุดสายตาคล้ายปลายทางคือสวงสวรรค์อย่างนั้นแหละแต่ต่อมาพอโตขึ้นพ่อแม่พานั่งเครื่องบินไปโน่นมานี่ก็รู้สึกว่าในเครื่องบินไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าเก้าอี้และการกัก บ, บริเวณจุดหมายปลายทางที่เราลงก็ไม่ใช่สวรรค์เป็นพื้นดินธรรมดาเหมือนเมืองไทยแถมถ้าไปไกลยอย่างอเมริกาก็ต้องนั่งนานจนเบื่อแล้วเบื่อเล่าเมื่อแล้วเมื่อ อ, อีก จอ้องเลิกเงยหน้ามองตามอย่างพยายามจะมีอารมณ์ร่วมแม้เกิดวันเดือนปีเดียวกันจ้องมองสิ่งเดียวกันก็จินตนาการไปคนละเรื่องได้ของเขานี่ในวัยเด็กชอบนึกด้วยอารมณ์มันๆว่าถ้าจ้องเครื่องบินมากๆแล้วเกิดระเบิดตูมขึ้นมาคงอ้าปากค้างเห็นคาตาว่าเศษชิ้นส่วนของเครื่องบินร่วงย้อยลงมาใส่หัวตนอย่างรวดเร็วไม่ได้เอ่ยถึงจินตนาการส่วนตัวในวัยเด็ก แต่ให้ความเห็นที่ไม่ขัดกับบรรยากาศของหล่อนพอได้นั่งเครื่องบินจนเมื่อยกลับมาแง้มมองแสงไฟเครื่องบินจินตนาการแบบเก่าๆคงหยุดทํางานไปเสียเฉยๆกันหมดแหละเนาะความฝันก็อย่างนี้แหละในที่สุดก็ถูกความจริงฆ่าตายเรียบทายรู้สึกไปไกลกว่านั้นหน่อยหนึ่งคือเห็นว่าจิตมนุษย์นั้นหลอกง่ายธรรมชาติถึงได้ขังเหล่าสัตว์ไว้ในวังวนได้นานมัวแต่หลงเพลินจ้องสิ่งลวงตากันอยู่นี่เอง จองเลิกยกนิ้วเกาหางตาตอนนี้เขาคงหลงคนพูดจนงหัวไม่ขึ้นต่อให้ข้อคิดวิเศษสุดก็ฉุดออกจากหล่มสเสน่หาไม่สำเร็จหรอกสำหรับคนกำลังฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดวงดาวและไฟกระพริบจะดูสวยเร้าใจเป็นพิเศษแต่ยามนี้เขามีความรู้สึกนุ่มนวลในค่ำคืนสงบเงียบและนั่งเคียงอยู่กับคนรักที่งดงามเกินจินตนาการนี่คือความจริง หาใช่การวาดฝันแสงสีหลอกตาทั้งมวลจึงกลายเป็นเพียงไฟประกอบฉากเท่านั้นฟังเสียงครางครึมของนกยักษ์ที่ไล่ตามหลังไม่ไปพร้อม ก, กันกับตัวเครื่องกระทั่งจางลงเหลือเพียงแผ่แสนแผ่จองเริกก็ละสายตาจากท้องฟ้ามาพินิตร่างแฟนสาวในเงาสลัวรางด้วยหางตาชำืองแล้เวเราเขาเห็นรัศมีเรืองจากเรือนกายหลอน ทำนองเดียวกับรัสมีเรืองจากดวงจันทร์เป็นสัมผัสรู้สึกเหมือนทุกครั้งจนแน่ใจว่าไม่ใช่อุปทานรัสมีกายมีจริงและเห็นได้ด้วยหางตาสายนั่งท่านี้เหมือนอะไรรู้ไหมที่แรกนัชเลเฉยเพียงเงี่ยวหูรอฟังด้วยความอยากรู้แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้คำเฉลยเสยทีกระทั่งจำใจทวงคำตอบเหมือนอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันถึงได้ถามไง น้ำเลเบะป่าหัวเราะเหวี่ยงกาปั้นทุบไหลคนยียยนแบบเบาๆจองเลิกยิ้มกลิ่มขอด้วยหัวใจสดฉ่ำร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิเรายังไม่เคยได้ยินสายร้องเพลงเลยแม้แต่ครั้งเดียวอายเสียงเสียงออกหวานอายทำไมสายไม่ค่อยร้องเพลงหรอกชอบสวดมนต์มากกว่าตอนไปวัดได้ยินสายสวดบ่อยแล้วคราวนี้ร้องเพลงให้ฟังมั่งอยากฟังเพลงอะไรละ่ะ ถามเสียงอ่อยใจหนึ่งก็นึกครื้มอยากร้องแต่อีกใจยังเคอะเขินอยู่บ้างกับครั้งแรกเลือกเองเลยเอาที่เราฟังแล้วจะหลงสายเพิ่มอีกสองเท่าน่ะมีไหมน้าทะเลก้มหน้าเหลือบตาลงต่ำเม้มปากยิ้มความสนิทสนมบีมให้ตามใจแฟนมอบความบันเทิงที่เขาต้องการตั้งหลักครู่หนึ่งก็เงยหน้าขึ้นขยับรินฝีปากเปล่งเสียงค่าคืนฉันยืนอยู่เดียวดาย เหลียวมองรอบกายมิวายจะหวาดกลัวยิ่งร้องเสียงยิ่งหายเกรงข้างบ้านจะได้ยินแล้วชักชวนกันดูคู่รักในบรรยากาศโรแมนติกที่สุดเลยขำตัวเองและหยุดหลงดื้อยิ่งหันมาเห็นเขานั่งตะลึงงนันตาเบิกโพรงก็ยิ่งหัวเราะโยกไปโยกมาแก้ขวยฮิฮิอา้าวหยุดทำไมล่ะกลัวชาวบ้านแตกตื่นว่าแต่เิกทาไมต้องทาหน้าเหมือนช็อกอย่างนั้นด้วย ก็เพลงไทยเดิมเหรอเหมือนเคยวว้แว์ผ่านหูไม่ถึงกับไทยเดิมหรอกแต่ก็ก่อนพวกเราเกิดชื่อเพลง ok นกขมิ้นน่ะฟังดูวงเวงดีจังร้องให้จบเถอะเอาไว้เข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างเงียบๆก่อนก็ได้เอาไว้ทีหลังสัญญาต้องร้องต่อให้จบนะเว้นวักมองอีกฝ่ายนิง่งเสียงนุ่มๆแบบซ้ายนี่เหมาะจะเอาไว้กล่อมลูกนักร้องสาวทำหน้าไม่ถูกกับคำชมนั้นโห ฟังแล้วอึ้งเลยจริงๆนาทายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมาะกับความเป็นแม่คนฮฮ้อเรื่องไกลตัววัยนี้เหมาะจะเป็นลูกเท่านั้นแหละเทียบกับใครละ่ะถ้าเด็กดอยอายุ15ป่านนี้มีไอตัวเล็กกันสองคนแล้วนชเลฟังเมินเสผินหน้ามองแมกไม้ไหวไกวในเงามืดเงียบเชียบตั้งใจว่าถ้าจองเิกเปลี่ยนเรื่องพูดถึงค่อยยอมคุยต่อฝ่ายจองเิก พอพูดเรื่องลูกก็เกิดวูบของอารมณ์อยากรู้รุนแรงว่าถ้าเขากับาชเลยแต่งงานกันลูกออกมาจะหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้เขามีพร้อมทุกอย่างทั้งกำลังกายกำลังปัญญาและกำลังเงินเพียงพอจะรับผิดชอบครอบครัวได้แล้วไม่เห็นต้องรออะไรเลยพอลงมือทํางานวิจัยสายว่าเราควรตั้งเงินเดือนให้ตัวเองเท่าไหรด่ดีไม่รู้สิ เราสัญญาไว้กับสายว่าจะใช้เงินผ่านล้านไปเพื่อสร้างเครื่องพยากรกรรมเราไม่ลืมและจะไม่ตราบสัตย์แต่เราต้องจ้างคนแล้วก็ต้องจ้างตัวเองด้วยทีนี้ถ้าคิดถึงอัตราว่าจ้างหัวหน้าโครงการเราว่าไม่ควรจะตามกว่าแสนอนุมัติไหมนชเลอมยิ้มกับตำแหน่งผู้อนุมัติที่เขาอุปโลกให้ซายมีสิทธิ์ไปเป็นกรรมการพิจารณาผ่านงบประมาณตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ตั้งแต่เมื่อเรายกให้ทายมีสิทธิ์ขาดตัดสินว่าจะไม่ใช้เงินพันล้านไปเสวยสุขส่วนตัวแล้วจะประดิษฐ์ผลงานฝากไว้เป็นของขวัญกับชาวโลกเพราะงั้นทายควรมีส่วนตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมรู้เห็นในการใช้ใจ่ายเพื่อความโปร่งใสเด็กสาวนึกสนุกขึ้นมาก็ให้คําตัดสินไปงานนี้เป็นประโยชน์ใหญ่คนคิดได้และตั้งใจลงมือวิจัยจริงจังควรรับการตกรางวัลพอควร เอาเป็นว่าสายให้เลิกเดือนละสองแสนก็แล้วกันแล้วห้าปีดูอีกทีว่าโครงการคืบหน้าไปถึงไหนค่อยปรับให้เข้ากับผลงานและค่าเงินบาทในอนาคตตามจริงพูดจบก็หัวเราะขำคำพูดที่ปั้นให้เป็นงานเป็นการของตัวเองแต่จองเริกไม่ช่วยขำทำหน้าเคร่งครึมสิ้นปีมีโบนัสด้วยหรือเปล่าโอเคมีก็มีเอาไปสักล้านหนึ่งแล้วกันพอใจไหม ความจริงนัชะเลพูดด้วยอารมณ์เล่นแต่จองเลิกถือว่านั่นคือคำขาดสุดท้ายจากเจ้าของสิทธิโดยชอบทมตกลงทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นซุ้มเสียงของเขาหนักแน่นขึงขังจนแฟนสาวต้องทำหน้างงและชักสงสัยว่าอีกฝ่ายมีเจตนาอันใดแอบแฝงอยู่กันแน่มาให้สายคิดทำไมเิกคิดเองเถอะสายแค่ตอบช่วยช่วยอย่าถือเป็นจริงเป็นจังละ่ะต้องจริงสิสายเป็นคนทาให้เราตกลงใจ ยกเงินทั้งหมดเป็นสมบัติกลางของโลกเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าซายควรเป็นผู้ดูแลซายบอกคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นนชเลชักภาวาอดคิดมากไม่ได้เพราะกลัวได้ชื่อว่ามีส่วนในเงินขโมยของเขาอุ้ยโมเมอย่างนั้นได้ยังไงถ้าทายเห็นว่ามากไปจะปรับลดลงมาก็ได้นะเอาเลยมาไม้นี้นชเลไม่กล้าพูดอีกเพราะถ้าสั่งลดก็แปลว่าหล่อนถืออานาจตัดสินใจอ ย, อยู่จริง ถ้าเถกอึกอักของแฟนสาวทําให้เด็กหนุ่มสรุปรวบรับตัดความตกลงตามนี้2แสนสาหรับเงินเดือน1ล้านสาหรับโบนัสสิ้นปีเราจะเริ่มสั่งอุปกรณ์เริ่มจ้างผู้จัดการเริ่มติดต่อนักวิจัยในเดือนหน้าแล้วก็จะเริ่มกระโดดเข้าไปลงมือเต็มตัวหลังจากสอบไล่เสร็จนัเลยย่นคิ้วจะไม่เรียนปริญญา จ, จริงๆหรอจริงตอบเช่นนั้นแล้ว ว่าที่นักวิจัยอายุน้อยก็เอ่ยต่อเนื่องไปอีกทางเราทําตามความต้องการของทรายแล้วคราวนี้ทายฟังความต้องการของเราบ้างเงินเดือนสองแสนถือว่าเราได้มาด้วยน้ำพักน้ําแรงไม่ใช่เงินขโมยอีกต่อไปเรามีสิทธิ์เอาไปใช้ทําอะไรก็ได้ตามที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นถ้าคราวหน้าเราซื้ออะไรให้ซายไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอีก ยังไม่ทันที่นัชเลจะรับหรือปฏิเสธอันใดจองเริศ ก, ก็ร่ายยาวต่อเป็นชุดคุณแม่ของสายมักพูดเปรยๆแบบที่ทำให้เราแน่ใจว่าสายต้องเล่าทุกเรื่องไม่ว่าเราพูดหรือทำอะไรเพราะงั้นคืนนี้ไปถามความเห็นจากคุณแม่เลยว่าคนมีเงินเดือนขั้นต่มสองแสนไปจนชั่วชีวิตเนี่ยพอไหมถ้าจะขอลูกสาวคุณแม่แต่งงานนชเลทาหน้าตกใจฮะพูดอะไร พอทรายหมดเรื่องวุ่นวุ่นเกี่ยวกับการเอนทรานซ์ป่านนั้นเราคงเก็บได้มากพอจะซื้อรถด้วยเงินสดเป็นของมัน่นจากนั้นพอสิ้นปีหน้าโบนัสออกก็ดาวบ้านได้อายุงานหนึ่งปีเสร็จกับการคุมคนทำวิจัยเป็นกิจจลักษณะคงสร้างภาพให้พ่อกับแม่ทรายเห็นเราเป็นผู้ใหญ่พอเพราะงั้นเราจะขอพวกท่านแต่งงานกับทรายเลย ค่อยคเป็นระเบียบที่เรียบเรียงขึ้นสดๆในหัวของเขาทำให้หนัทะเลมือไม้สันรำคอตีบตันน้ำเสียงแหบพลาดเร็วไปมั้งผู้หญิงแต่งงานตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเยอะแยะไปไม่เห็นมีใครคระหานี่แล้วเจ้าเบาอายุ17แถวบ้านนอกก็ถมเถไปตราบใดมีความพร้อมรับผิดชอบครอบครัวใครก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าเราตรงข้ามถึงอายุ30ิ แต่ยังแบมือขอเงินพ่อหรือเบียดเบียนเงินญาติสนิทมิสหายอยู่อย่างนั้นต่างหากจึงสมควรเจมเนื้อเจมตัวอย่าพึ่งคิดหาเมียแต่กรอบการศึกษาสมัยใหม่กว่าจะเอื้อให้คนเริ่มทำงานก็ปาเข้าไป21แต่ในเมื่อเราทำได้ตอน17จะต้องไปรอช้าตามคนอื่นทำไมพอแต่งกันสายก็อย่าห่วงว่าจะต้องมารับผิดชอบบ้านเรือนเราจ้างคนใช้ทาหมดทายมีหน้าที่เรียนอย่างเดียว นัะะเล่ถอนใจเฮือกเลิกฟังสายพูดบ้างสิโอเคยอมหยุดพักหลังจากพรั่งปรูป ว, วดภาพความคิดตลอดสายชนิดแทบไม่เว้นว่างหายใจหายคอสายกลัวสายไม่ได้เก่งอย่างเลิกสายยังรู้สึกเหมือนเป็นลูกแง่ของพ่อแม่อยู่แล้วอีกอย่างสายว่าสายรู้จักพ่อแม่มากพอจะมีคําตอบแทนพวกท่านได้เดี๋ยวนี้พ่อแม่สายไม่มีทางอนุญาตหลอกรับรอง จองเลิกไหลตกทำหน้าผิดหวังเสียใจแม่ซายรู้นี่ใช่ไหมว่าเรามีเงินเออรู้เด็กสาวตอบตะกุกตะกักแต่รับรองว่าจะไม่มีการเพร่งพลายเด็ดขาดเราไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกแค่จะบอกว่าตอนนี้สายตาท่านไม่ได้มองเราแบบเครื่องเอ็กซเรย์เหมือนรอแรกๆ แ, แล้วเราอยากให้ทายลองขอดูก่อนเล่าทุกอย่างให้หมดรวมทั้งที่ทายตั้งเงินเดือนให้เราทำวิจัยนี่ด้วย น้ำทะเลหัวเราะออกมาได้แต่เป็นความขบขันเคลือบกังวลจึงหัวเราะแบบฝืดๆแหมทำไมใจร้อนนักหรือว่าซายยังรักเราไม่พอขอแค่นี้ถึงไม่ให้ไม่เกี่ยวกับรักหรือไม่รักคนถูกคาดขั้นตอบอุบอิบเพียงแต่ซายว่ามันเร็วไปแล้วพ่อแม่ก็ต้องไม่ให้แน่ๆลองถามก่อนแล้วค่อยรู้สิจะรู้ก่อนถามได้ยังไงไม่หอกเชื่อเถอะ ถ้าขอเดี๋ยวเรื่องยาวสายโดนว่าแก่แดดแง่แง่เลยจองเริกชักหน้าตึงนิสัยจะเอาให้ได้กำเริบขึ้นมาเป็นครั้งแรกต่อหน้าแฟนหรือซายกบว่าพอเรียนมหาลัยจะเจอคนที่ดีกว่าเราคำพูดดักทางแบบปรักปรมทำนองว่าไม่จริงใจนั้นน่าจะมีผลให้สาวน้อยคนหนึ่งเป็นฝ่ายโกรธกริ้วและอยากปีดใส่แต่ด้วยต บ, บะบารมีและหน้าตาขมึงทึงหน่อยๆของจองเลิกก็ทรงอิทธิพลพอจะกดโทรศั์ของนชเลไว โธ่ทำไมมาว่าซายอย่างนั้นล่ะเสียงอ่อยน่าสงสารของหล่อนเหมือนมนปลุกสติจ้งเร่อพยายามปรับอารมณ์ให้เย็นลงก่อนหวานล้อใหม่เด็กรุ่นเราคบกันดีแต่หวังฟันกันเล่นท้องขึ้นมาก็ไม่มีปัญญารับผิดชอบแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียหน่อยเห็นไหมว่าเราพิสูจน์ตัวเองผ่านมาเป็นเดือนอยู่ใกล้ซายแค่นี้แม้แต่ปลายเล็บยังไม่เคยแตะจะรอสู่ขอทาพิธีอย่างสุภาพบุรุษรุ่นปู่ แล้วก็จะรับผิดชอบทรายตลอดไปได้แน่ๆด้วยน่อเชลนึกอะไรออกก็บอกว่าเลิกแน่แค่ไหนทรรู้ผู้ใหญ่ของพวกเราก็รู้แต่เวลาไปยืนบนเวทีสมรสภาพคงออกมาตลกตลกน่าดูเลยตัวสกะเปียกด้วยกันทั้งคู่แขเกเรือคงเปิดปากขำทั้งงานงั้นเราจะไปทำสารยกรรมจองเริกหมายความตามนั้นไม่ได้พูดเล่นโทษอย่าทาอย่างนั้นเลย เด็กสาวพยายามใช้ความนุ่มนวลประโลมแบบพูดไปหัวรเราะไปเลิกจ๋างานแต่งที่ทุกฝ่ายพร้อมใจยินดีได้ต้องมีปัจจัยหลายอย่างนะไม่ใช่แค่เรื่องช้าเร็วไม่ใช่แค่เรื่องรักมากรักน้อยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องรับผิดชอบไหวหรือไม่ไหวจุดใหญ่ใจความมันอยู่ที่ความรู้สึกและความรู้สึกโดยรวมของทายตอนนี้คื อ, อยังไม่พร้อมไม่พร้อมอยังไงอย่างที่บอกแล้วว่าทายยังเป็นลูกแง ถึงแม้ว่าคนอื่นอายุ17จะโตแค่ไหนทำงานหาเงินกันมาแล้วกี่ปีแต่สายก็ยังรู้สึกเป็นเด็กๆอยู่เลยน้าเรากิกสายสัญญาจะครองตัวครองใจไว้ให้เลิกคนเดียวให้สายจบตรีมีสถานภาพทางสังคมก่อนตอนนั้นเริกก็จะดูเป็นผู้ใหญ่กว่านี้แล้วด้วยจองเรกิกทำหน้านิ้วคิ้วขมวดสปีรอไม่ไหวเราอยากมีลูกละเลเครื่องขำเครื่องฉิว ไม่ค่อยชอบท่าทางเอาแต่ใจแบบผดเด็จการของเขานักแต่ก็ปลอบตนเองว่าไม่เป็นไรนี่พึ่งครั้งแรกที่ผ่านมารู้อยู่หรอกว่าเขาพยายามเก็บงำความเห็นแก่ตัวประการต่างๆไว้แต่นั่นก็เพราะกำลังรักและหลงหลอนราวกับคนโดนเสนยาแฟรบัดนี้พอเขาเริ่มแผลงฤทธิ์ให้เห็นนาชเลก็ชักหวัดหวาขึ้นมาถ้าอีกหน่อยจองเิกจับได้ว่าหลอนกลัวเข้าหอจะยิ่งเผยท่าแท้กลายเป็นคนชอบเรียกร้อง สั่งหลอนทำโน่นทำนี่ตามอำเภอใจสักแค่ไหนก็ไม่รู้ข้อเสียของคนเก่งเกินวัยมักเป็นความเจ้าอารมณ์เกินระงับอันนี้แม่เคยตั้งข้อสังเกตแต่หลอนก็ปฏิเสธแม่มาตลอดว่าไม่เคยเห็นจองเรกิกแสดงอาการดังกล่าวเอากับหล่อนเลยสักครั้งเดียวเพิ่งคืนนี้เองที่ได้ยินกับหูได้เห็นกับตาตัวเองช่างน่าอึดอัดนักกับการตกอยู่ใต้อำนาจอัตตาของเขาวิธีคิดและวิธีรู้สึกแบบคนเก่งเกินมนุษย์ ย่อมแตกต่างจากหล่อนและคนทั่วไปเป็นธรรมดาเขาไม่เห็นความจําเป็นต้องอยู่ในกรอบหรือตามใครมาแต่ไหนแต่ไรบรรทัดฐานของสังคมไม่เคยอยู่ในสายตาหรือความคํานึงนึกของเขาเลยนี่คือตัวตนด้านเสียของอัจฉริยะเขาอ่านเข้าใจอะไรยากแสนยากทั้งที่คนทั่วไปคุยกันเข้าใจด้วยสามัญสํานึกธรรมดาเลิกลืมอะไรไปหรือเปล่าถ้ามีลูกก่อนจบตรีสายตั้งท้องระหว่างเรียนก็ต้องดรอ ปีหนึ่งน้าซีน้าแดงจากการพูดแสดงเหตุผลอย่างฝืดฝืนนั้นบ้าสิ้นดีหล่อนเพิ่งอยู่มหแต่ต้องพยายามอธิบายต้องพยายามหวานล้อมให้เด็กรุ่นเดียวกันเข้าใจเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้ทายสายว่าเรานี่ยอมตายแทนสายได้ไหมน้ำเสียงตัดพอนั้นแสดงความน้อยใจเต็มที่นชเลชักเริ่มละแต่ก็ขมบขมิบปากตอบเนยนายได้มั้ง แล้วเราขอทายเรื่องแค่นี้ไม่ได้เหรอเฮ้ออยู่ๆเลิกเป็นอะไรขึ้นมานึกอยากมีลูกก็จะมีให้ได้ทันทีทายปฏิเสธด้วยเหตุผลเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจองเรกิกงันนิ่งนั่นสิทำไมจูจ่ๆก็อยากมีขึ้นมาอย่างรุนแรงคำถามที่ทำให้มองย้อนกลับเข้ามาสำรวจตนเองแล้วเกิดความงุนงงกลายเป็นตัวหยุดอาการเศร้าซีแบบเด็กเอาใจ แล้วสลับไปคิดเป็นเหตุเป็นผลยังคนฉลาดอีกครั้งหากดูเผลอๆนี่อาจแสดงการมาถึงจุดหักเหหนึ่งที่เขาไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมต้องรอต่อเขามีเงินมีจุดมุ่งหมายของชีวิตพรักพร้อมใครๆเดินทางมาถึงตรงนี้ก็ต้องการส่วนเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์คือครอบครัวที่อบอุ่นกันทั้งนั้นแต่ทำไมพออยากมีขึ้นมาวูบแรกก็คล้ายบันดาลแรง เร่งร้าเร่าร้อนจนผิดปกติถึงกับออกอาการบีบคั้นคนรักขนาดนี้ในที่สุดเด็กหนุ่มก็ก้มหน้าก้มตาเอ่ยขอโทษนะทซายเราอาจจะอยากจะได้ทรายใจแทบขาดรับรองได้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อหนังบางสาตื้นๆเราอยากมีภาพชีวิตอีกภาพหนึ่งที่สมบูรณ์แบบกว่านี้เรารู้สึกว่าตัวเองมีดีตัวเองมีพร้อมแล้วทาไมถึงยังขาดทาไมถึงยังต้องรอ เอาแค่เพื่อพบหน้าซายยังต้องเดินเข้าบ้านคนอื่นทำไมไม่เห็นหน้าทรายอยู่ในบ้านตัวเองทุกเวลาที่ต้องการไม่รู้สิทรายว่าเหมือนเลิกกลัวอะไรอย่างหนึ่งมากกว่ากลัวอะไรขณะพูดก็มองย้อนเข้ามาในใจแล้วสำเนียกได้ว่าตนมีความกลัวอยู่จริงๆเพียงแต่อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกคนลุกกับความกลัวที่ปราศจากเหตุผลนั้นนั่นกระมังที่ทุกคนเรียกกันว่าสังหรณ กขากำลังอยู่ในภาวะไร้เหตุผลไร้คำอธิบายที่ถูกต้องแท้จริงและภาวะเช่นนั้นก็อาจต้องการเหตุผลและคำอธิบายจากคนอื่นที่มีใจเป็นธรรมกว่ากันเรากลัวอะไรหรือทายถามซ้ำอย่างต้องการคำตอบจริงๆนชกเลคิดหาคำอยู่นานกว่าจะเลือกได้ง่ายๆกลัวจะไม่ได้มีน่าสิ